สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นความตายหลังจากที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นเหนือความตายแล้วพระเยซูได้ปรากฏให้กับเ ห, เหล่าสาวกและพระเยซูก็ได้สั่งสอนเขาถึงสิ่งที่จําเป็นที่สุดนั่นก็คือการประกาศพรกิตติคุณเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์และในที่สุด พระองค์ก็เสล็จสู่สวรรค์ก่อนที่พระองค์จะเสล็จสู่สวรรค์นั้นในพระธรรมย่อนนะครับถอยหลังกลับไปในบทที่สิบสี่ข้อสิบหกและสิบเจ็ดได้กล่าวอยู่นี้ครับว่าเราจะทูนขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งนะครับผู้ช่วยผู้หนึ่งคือผู้ให้คําปรึกษาผู้ช่วยเหลือเป็นผู้เป็นคนกลางผู้สนับสนุนผู้กําลังใจและผู้ที่อยู่เคียงข้างนะครับคือคําว่าผู้ช่วย มีคำนิยามคำอธิบายถึงคำว่าผู้ช่วยก็คือคนที่ให้คำปรึกษาผู้ช่วยเหลือผู้เป็นคนกลางผู้สนับสนุนผู้ให้กำลังและผู้ที่อยู่เคียงข้างพระเยซูนะครับได้ทูลขอพระบิดาและพระองค์พระบิดานั้นจะทรงประทานผู้ช่วยผู้นี้ให้กับพวกเรานั่นคือพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ครับและเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิ ญ, ญญาณแห่งความจริง เพื่อนครับในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพระวิ ญ, ญญาณแห่งความจริงนะครับและอีกประมาณยี่สิบตอนนะครับจนกระทั่งครบหกร้อยตอนนะครับผมจะพูดถึงเรื่องราวในพระธรรมกิจการที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเพื่อนครับหลังจากที่เปเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพรงได้ส่งประธานพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นะครับจุดกําเนิดของคริ้นจักรก็คือเป็นวันที่พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ส่งลงมานะครับ ก็คือวันเพ็ญเพกสเต้นั่นเองพระเยซูสั่งให้สาวกนั้นได้รอคอยครับรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็อยู่ที่กรุงเยอเซล็มครับในวันเพ็ญเพกสเต้นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของผู้คนที่เชื่อในองค์พระบุญเจ้าพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอัศรจรรย์ น, นะครับเป็นทรงอัศรจรรย์มากหากไม่นับความรอดของพวกเราทางทางพระเยซูคริสต์โปรง่งทรงเป็นของขวัญที่ดีที่สุด ที่พระเจ้าประทานให้กับเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเพระเาะวิญญาณบริสุทธินั้นทรงเป็นผู้ใดพี่น้องครับผมอยากจะยกข้อความของเอเดบิลนะครับท่านเขียนนี้ครับว่าพระาะวิญญาณบริสุทธินั้นไม่ใช่แค่แรงศรัทธาทรงเป็นบุคคลขีดเส้นใต้ไว้นะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่มีชีวิตในอีกสภาพแต่พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณลักษณะและบุคลิกภาพทัางปวง โครงไม่ใช่สสารแต่ทรงมีตัวตนเพะญายมปริสุดทรงมีพระประสงค์พระปัญญาความรู้สึกความรู้ความเห็นอกเห็นใจและความสามารถที่จะรักจะเห็นจะคิดจะฟังจะตรัสและปรารถนาเหมือนดังบุคคลทั่วไปมีนี่คือคําจํากัดความของคําว่าบุคลิกภาพนะครับนี่คือคําจํากัดความของคําว่าคุณลักษณะของพญายมระชุดสรุปได้ได้ว่าทรงเป็นบุคคล นะครับทรงมีคุณลักษ ณ, ษณะทรงมีบุคลิกภาพนะครับไม่ใช่แค่แรงศรัทธาหรือพลังงานนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มีลักษณะหรือพักษณะของตัวบุคคลพี่น้องครับในอีกมุมหนึ่งนั้นเราจะพบว่าพระยาราสุดนั้นทรงเป็นพระเจ้าครับบทบาทของพระยามาชุดในการทรงสร้างมนุษย์ตั้งแต่พนมการบทที่สองข้อที่เจ็ดนะครับพระพีกล่าวว่า พระยาเวพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ขึ้นด้วยผงคลีจากพื้นดินระบายลมปานเข้าทางจมูกของมนุมนษย์มนุษย์จึงกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่พระวิญ ญ, ญาณ น, นั้นส่งเป็นผู้ที่ปั้นอาดัมและระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขาเราด้วยได้อย่างไรว่าข้อความนี้เป็นความจริงปรากฏอยู่ในพระธรรมโยบบทที่สามสามข้อสี่ครับพระธรรมโยบบทที่สามสิบสามข้อสี่กล่าวว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าและลมหายใจ ขององค์ผู้ทรงมหิตริษทได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าชัดเจนนะครับว่าพระวิญญาณ น, นั้นพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนนะครับลมหายใจของเรานะครับที่มาจากองค์ผู้ทรงมหิตธิษทที่ได้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปั้นและให้ลมปราณแห่งชีวิตแก่อาดัมโปรงทรงปั้นและให้ลมปราณแห่งชีวิต พวกเราทั้งหลายกับคุณกับผมด้วยสรุปดีบทหนึ่งครับในบทที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าข้อสิบสามกล่าวว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดาแท้จริงแล้วข้อยืนยันของพระเจ้านะครับทรงปั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นครับชมภาษิตบทที่ยี่สิบหกข้อที่สิบนะครับได้ลกล่าวว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัด แราเห็นด้ชาตินะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธินั้นทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นพระผู้สร้างเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพวกเราว่าหลายหลยครั้งทีเดียวนะครับบางท่านบางคนนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะกลัวขัดแย้งแต่ผมอยากจะให้กำลังใจครับว่าแท้จริงแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเรา จะต้องเข้าใจว่าพระมิยามสุดนั้นสําคัญกับเรายังไงถึงเราจะพูดถึงพระองค์อย่างถูกต้องเราอย่าพูดถึงพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอย่าพูดถึงพระองค์เหมือนกับที่เราอยากจะกําหนดให้พระองค์เป็นพี่น้องครับเราต้องเข้าใจถึงประเด็นสําคัญในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระมิยามสุดก็คือว่าประการแรกนะครับไม่มีชีวิตคริสเตียนแท้หากปราศจากพระองค์ นะครับเห็นชัดเจนนะครับไม่มีชุดคริสเตียนแท้หากปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หากปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชุคริสเตียนนั้นต้องแห่งแรงหน้าเบื่อไร้ผลหากปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การงานของเราก็เหนื่อยเปล่าและอ่อนแรงหากปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เ็นอย่างไรซึ่งการสรรมิกธรรมกับพระเจ้าหากนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกจากครื่องจากแล้ว นะครับคิดจะจะกลายเป็นที่พบปะสังสรนค์ทางสังคมคิดจักก็จะกลายเป็นสถาบันทางศาสนาซึ่งประกอบพิธีกรรมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการไร้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนำมาซึ่งการไร้การเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้านะครับ เราก็ไม่อาจเข้าใจพระคัมพีได้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทําให้เราเข้าใจพระกมพีครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นไร้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไร้ซึ่งชีวิตไร้ซึ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ไร้ซึ่งนิมิตครับหากไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่มีความชื่นชมินดีหากไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่มีสัรรพสุขหากไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่มีเสรีภาพ พิ่มยันของพระเจ้านะครับอยู่ที่ไหนเส ร, รีภาพก็อยู่ที่นั่นเพิ่ญยันโดยสุดอยู่ทุกขนทุกแห่งครับอยู่ทุกเวลากษัตริย์วิทย์บอกว่าข้าพเจ้าจะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือเห็นครับไม่มีที่ไหนที่เราจะหนีไปจากพระพักของพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าเองนะครับก็อยู่ทุกขนทุกแห่งเช่นเดียวกันครับเพิ่มยันโดยสุดเป็นพระเจ้า เราก็ไม่มีทางที่จะหนีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดได้ทั้งที่รับและที่แจง้งและวิเขียนต่อไปครับว่ า, ข, าข้าพระองค์ขึ้นไปบนท้องฟ้าพระองค์ก็ทรงสถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์ลงไปใต้พิภพพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นข้าจะบินไปไกลถึงขอบฟ้าทางตะวันตกพระองค์ก็ทรงพบข้าพระองค์ที่นั่นทันทีพระองค์ทรงคอยรอคอยข้าพระองค์แล้วโยมครับแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ทุกที่ ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราไม่ต้องกลัวพ่อวิญญาณบริสุทธิ์ครับแต่เราจะต้องเข้าใจพ่อวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่ พ, ะพระองค์ทรงเป็นต่างหากและเมื่อเราเข้าใจใพ่อวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นชีวิตของเรานะครับก็จะได้รับการหนุนจิตชูใจครับจีวิตของเราก็จะมีการฟื้นฟูขึ้นนะครับชีวิตของเรานั้นก็จะมีการเจิมที่มาจากพ่อวิญญาณบริสุทธิ์ และชีวิตของเรานั้นจะไม่เดินเหมือนเดิมอีกต่อไปครับจะเป็นพระพรจะมีการพลิกฟื้นจะนํามาซึ่งความบริสุทธิ์นํามาซึ่งของประทานนํามาซึ่งผลของพุทธิมรรคในที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเราเรียนเรื่องนะครับพระเยซูคริสต์เราก็จะต้องเรียนเรื่องพุทธิมริคเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าพ่มพีใช้คําว่า พระวิญญาณของพระเยซูพระวิญญาณของพระเจ้าฉะนั้นจึงเป็นความสําคัญที่เราจ้องเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างนีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้รับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะได้รับความบริสุทธิ์ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การชําระที่มาจากพระองค์และผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที mm ่สุดเพื่อที่จะเป็นพยานเพื่อให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากชีวิตของเรา อ้าน